ขายายโยนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันแรกของดินพุทธภาคม2534ก็ขอแนะนำกัรรดาญาโยมพุทธบริษัทมาเที่ยวนี้ข อ, อข้อเดียวนะเท่าแก่นะคือนัตติโลเก อ, อนดนทิโตสสงขาวเปกขยันเปกให้ได้นะ คำว่าตติโลกเกอนินทิตโตแปลว่าคนไม่ถูกเนินทาเลยไม่มีในโลกนี่การที่บรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทเคยบ่นกันว่าเวลาภาวนาจิตใจมันฟุ้งซ่าน <c oughs> <c oughs> การฟุ้งซ่านก็มีสองทางขึ้นหนึ่งเราฟุ้งซ่านเองในการที่สองคนอื่นทำให้เราฟุ้งซ่านเราฟุ้งซ่านเองก็หมายความว่าถ้าจิตเริ่มเป็นสมาธิ อารมณ์ที่เป็นกิเลสเขาก็เข้าขมาแทร ก, ก, ก, กที่เรียกว่ากิเลสมานคิดเรื่องโน้นบ้างคิดเรื่องนี้เขากมาแทรกทั้งที่เราตั้งใจแค่รงอารมณ์จิดี <c oughs> อย่างนี้ถ้าเรียกว่ากิเลสสมานรจะ <c oughs> บางทีร่างกายปวดต้นปวดนี่อย่างนี้ถ้เรียกว่าขันธ์ามันใช่ไหมทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดาถ้าเราจะฝึกกจะเฉพาะสมาธิอย่างเดียว แล้วก็หดีกิเลสไม่พ้นต้องใช้ปัญญาด้วยสำหรับปัญญาจะใช้มากเกินไปก็ไม่ดีต้องใช้แต่พอควร <c oughs> <c oughs> เวลาที่เราจะก็ต้องการชนะเอาชนะทีไรอย่างอย่างไหนเบาเอาชนะอย่างนั้นต้องตั้งใจชนะเฉพาะอย่างนี่เป็นมิปัจนายานไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนกลับต้นใหม่อันดับแรกญาติโยมุทธบริษัท ให้ใช้สติสมัมปชัญญะให้สมบูรณ์ตามกําลังที่พึงทําได้สติคือการนึกถึงสมัมปชัญญะคือการรู้ตัวการเจริญพระกรรมฐานต้องมีเหตุสามการรวมกันคือหนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญา <c oughs> ต้องมีสติสมัมปชัญญะนึกรู้ไว้เสมอว่าเวลานี้ศีลเราบริสุทธิ์ไหม ถ้าสิ่งข้อไหนไม่บริสุทธิ์ก็พยายามรักษาสิ่งข้อนั้นเคี่ยวเข็งข้อนั้นให้บริสุทธิ์ให้ได้ค่อยๆทำค่อยๆ nah, ไปค่อยๆละค่อยๆเตือนใจเองไใหม่อยมันก็จะเผยเยอะบ้างเป็นของธรรมดาเมื่อเราบังคับใจหนักๆเข้ามันก็เกิดอาการชินอารมณ์ก็ชินเองชินห้าก็บริสุทธิ์ต่อมาเรื่องสมาธิสมาธินี่เกี่ยวกับนิวรณ์ ถ้าเราสามารถชนะนิวรณได้จิตก็เป็นสมาธิตลอดการถ้าเราชนะนิวรณ์ไม่ได้จิตเป็นสมาธิตลอดการไม่ได้ <c oughs> คำว่านิวรณแปลว่ากิเลสเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังสมายความว่าคนใดที่มีนิวรณอยู่ในใจเวลานั้นไร้ปัญญาก็คือหนึ่งการมาฉันทะพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ คำบรรูปนั้นมายความรูปคนสองไปเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุก็ตามถ้าพอใจในความสวยสดงามจิตพุ่งสั้นได้วันนิวรนอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์พุ่งสั้นเป็นนิวรนนิอุตจ า, ารมพุ่งสั้นคิดมากมายคิดโน่นคิดนี้คิดก้าวหน้าเพลินไปก็เป็นนิวรนจะสงสัยในข้อวัดปฏิบัติก็เป็นนิวรนก็ลงความว่า จิตเราต้องชนะนิวรณ์า ก, การชนะนิวรณ์นีรมันดาชนพุทธบริษัทมันชนะนานไม่ได้ใช่ไหมใช่หรออย่างสมมติว่าเราจะนั่งกรรมาฐานสักครึ่งชั่วโมงถ้ามันชนะจริงๆ ร, รวมๆกันสักห้านาทถีถือว่าใช้ได้อย่างกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกสตินึกว่าเวลาที่เราจะรู้ลมหายใจเข้า ใ, ใจออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทเป็นต้น แต้ ว, ว่าคำภาวนานี้ไม่จํากัดแญาณโยมนะเพราะตอนกลางคืนเป็นสุขวัสสโกตอนกลางวันเป็นอภิญญามโนยิธิอัคืออภิญญาอภิญญานี่จ้องจํากัดคำภาวนาในคำภาวนาก็มีหลายอย่างไม่การมีแต่หลายสิบอย่างแต่แต่อาจารย์ไหนจะใช้ผลที่พึงได้คือได้อภิญญาก็ใช้ได้กลางคืนเป็นสุขวัสสโกไม่จํากัดคำภาวนา ใครภาวนาไหนคล่องแล้วว่าอย่างนั้นตามตามตามที่คล่องมาไ ม, ไม่ไม่จําไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ้ายังไม่ได้ก็ใช้คําว่าพุทธโธให้ใจเข้ า, นาในว่ัฏฏะใจออกในวัทฏะนี่เราจะมังคับคิดว่าเราจะทรงคํา่าพุทธโธอยู่ตลอดครึ่งครึ่งชั่วโมงมันจะเป็นไปไม่ได้ภาวนาไปภาวนาไปปร ะ, ปประปเดี๋ยวจิตก็แลบไปสู้อย่างอื่นไปหาเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ที่นิวรณนเข้าขมาแทรกใจ เราแพ้ในวร์นพอรู้สึกโตมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ขณะใดาที่รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกแล้วรู้รความคำภาวนานอย่างใดอย่างหนึง่งเวลานั้นชีวิตจิตของเราเป็นสมาธิเราชนะนิวร์ขนขณะใดาที่เรื่องใดเข้ามาแทรกจิตใจไปจิตใจฟุ้งไปตอนนั้นเวลานั้นเราจะแพ้ในวร์นมันก็ต้องแพ้บ้างชนะบ้างเป็นของธรรมดา คนที่จะไม่แพ้นิวรณ์เลยจริงๆก็คือพระอารหันต์เท่าแก่พระอารหันต์ยังเป็นอย่างนีง่ว่าเป็นแล้วลองเป็นทักวันหน่อยไม่ได้ที่หลวงพ่อพ่อว่าก็บาดตากผ้าแต่บอกว่าคานิกะนิพานที่แรกฉันอ่ยของท่า น, น, นเอ๊ะเป็นไปได้ดิจริงๆของท่านเป็นไปได้คานิกะนิพานนิพทนิพานเขาไปประดับค่อยๆดับอา ร, รมณ์ วันละสองสามนาทีถ้หนึ่งนาทีก็ตามใจนับลมไม่นึกเรื่องความรักไม่นึกเรื่องความโลภถึื่งความโกรธหรือความหลงเอาจิตจับเฉพาะลมหายใจเขาออกกัเข า, าบำนาก็เดียวหนึ่งก็ใช้ได้นะอย่างนี้เรียกวฝึกนิพนธ์ <c oughs> ตอนนี้การที่เราจะเรียนพระกรรมฐานจะให้ได้ดีต้องใช้ปัญญาร่วมมาคราวนี้เอาเฉพาะเรื่องเดียวสามวันนี้นะ นาทีโลเกอเนี่นินโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกใช่ไหมมีไหมใครไม่ถุ น, นทาไม่มีที่นั่งเนี่ยยกมือดิอย้า้สักสิบบาทรับรองทุกไรแต่เราก็ควรอย่าภูมิใจถ้าเราถูกเนินทาได้เราควรอย่าภูมิใจนะเอาจารย์อนุคามาจารย์อนุนไม่ชอบใจแล้ว ถ้าเราไม่ดีเขาไม่ดินทาสังเกตดูคนเลวนะั้นไม่เคยมีใครดินทาเห็นไหถ้าเราดีกว่าเขาเขาจะเริ่มดินทาเราเราก็ภูมิใจได้แต่ว่าอย่าไปสนใจทั้งคำนินทาและสรรเสริญอย่างที่พระเจ้าทรงแต่กับพระว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายนินทาประสงสารเป็ของธรรมดาของชาวโลกในเมื่อเราเกิดมาในโลกเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องถูกดินทา ไม่ถูกนินไทยเฉพาะมีชีวิตอยูต่ตายเป็นผียังตามนินไทยนะเห็นไหม mm hmm. ก็เป็นว่าแม้แต่เราก็ดีถูกดินทาพระอาดีตเจ้าทั้งหลายทั้งหมดก็ถูกนินทาพระพุทธเจ้าก็ถูกดินทาวันนี้ก็อยาคุยเรื่องพระเจ้าถูกนินทาให้ตามใจสบายๆนะปิดมาสามวันแนวข้อเดียวปฏิชาติชนะได้ไมั้ง แค่ีย่ยอขาทีมาลายชนะได <c oughs> ไ้ไม่ไม่ดีใครดีตานะพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยที่พระมคคลาประสานิบุตรออกจากสนักสัญชัยปริพาชกยังไม่ทันถึงเบ้รเวดวันเวลานั้นองค์สมเด็จพระกวัลย์ก็ทรงกระมังเทศอยู่สมนด็จพระองคุก็ตัดว่าเวลานี้อากาศาบกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของเรามาแล้ว ยังไม่ทันถึงเลยนะท่านออกจากสานักเขามาได้ส่งข่าวไปด้วยพระเจ้าทรงทราบใช่ไหมต่อมาเมื่อท่านทั้งสองเข้ามาถึงแล้วก็มีบริบาลมาห้าร้อคือเป็นบริบาลของพบกคลาภาษาที่หมดซร้าเป็นลูกศีลด้วสันชัยบริภาชก็สอรห้าวมไปห้ารอด้วยกัน <c oughs> ยกขบวนกันมาพระพุทธเจ้าก็เทศเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบ ความจริงพกกระบรกศาลาในภาษาริบุตรเป็นประโสดาบันมาแล้วนะหลังจากฟังเทศจากพระอัสชิอย่างย่อๆว่าเ ย, ยตะมาเหตุประประวาเตสังเหตุงตฐานก็โตโยน โ, โรโตจาเอวังวาทีมหาสัมโนทู้เรื่องไหมฟังนี้สบายมากว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุชชทธเจ้าตัดเหตุก็ทำนั้นแต่ความดัขก็ทานั้น คนเด็ดประมานัดสนัตัดอย่างนี้ฟังสั้นๆแค่นี้พระสารีบุตรได้ประสูดาบันต่อมาเมื่อเข้าไปพบปรพระโมกขลาพระโมกขลาเห็นพระสารีบุตรหน้าตาแจ่มใสก็ถามว่า <c oughs> อุปติสสะทังคินท่านที่อุปติสสะใน <c oughs> วันนี้หน้าตาแจ่มใสเขาจะพบโมกขะธรรมได้ยังไง <c oughs> พปประสารีบุตรบอกพบแล้วที่ออกมาจากบ้านเขาต้องการโมกขะธรรมรือ ท, ท, ทำเป็นเครื่องพ้นจากความตาย ถามว่าพบอย่างไงพรากบอกให้ฟังว่าเ ย, ยตามายศก่อจะมาต้นเมื่อกี้นี่นะว่าทําใดเกิดตดเหตุพระพุทธเจ้าตัดเห็นท่ทำนั้นในความด่างทํานั้นสมเด็จพระหาสมณตัดอย่างนี้ <c oughs> พระบกลาฟังเพียงเท่านี้ก็ได้ไประโสชดาบันเหมือนกันง่ายเหลือเกินง่ายมากนะฉันพูดในชาวบ้านฟังก็พูดเรียนก็เรียนท่องก็ทองไม่ได้ <c oughs> ฉันเก่งกว่า หรือว่าทั้งสององค์ไม่กล้าลงนรกไม่ฉัน <vara> ย <SI an> <s scenes> ังกล้าอยู่นะก็เป็นว่าเมื่อท่านทั้งสองได้ไปโสดาบันแล้วก็ไปหาท่านสัญชัยปฏิภาชกว่าความรู้ที่อาจารย์สอนเนี่ยไม่ใช่โมกขธรรมทำเปเรื่องค้นจากความตายเวลานี้ผมพบโมกขธรรมแล้วชวนอาจารย์ไปด้วยฉันจะปฏิภาชก็ไม่ยอมไปขอเล่าด่ารัดเวลามันน้อยวันนี้ไม่จบ ก็เป็นว่าเมื่อท่านออกจากสำนักพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงตัดว่าเวลานี้ภ่าข้สาวกทั้งสองของเรามาแล้วก็เป็นว่าเมื่อถึงแล้วพระเจ้า ก, ก็เทศลูกศิษย์ของสองหคนของมกกลาละระษาที่บทบรรลุอรรถตผลพร้อมไปสมิธายานลูกศิษย์สัญชยัยพุทชาชกสองห้าสไม่ได้อะไรเลยครับกลับสนักเดิม ท, ท่านมกขลาลภาษารีบุตรยังได้แค่ประสูดาบันตามเดิมอาจารย์เนี่ยเขามีปัญญามากขอเล่าลัดไปอีเจ็วันพระมกขลาจึงได้พระหลานอีสิวันภาษาทีบุตรฉันได้พระหลานนี่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตั้งตั้ท่านรองสองเอาเสาลกซ้ายขวาภาษาที่บุตรเอาเสาลกเบื้องซ้ายฝ่ายปัญญาพราะเรื่ององค์ฝานภาษาทีบุตรเรื้องขวา พระมคลลอักษาวกเบื้องซ้ายเป็นฝ่ายเมีริษพอตั้งทั้งสององค์นี้เข้าบรรดาพระทั้งหลายที่เป็นปุตุชนไม่ใช่พระอริยเจ้าเขาเดินทาพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าในเห็นกันหน้าบกคลเพราะว่าพระมคคัลลากรารภาษาที่บทเป็นลูกของมหาเศรษฐียึงตั้งให้เป็นอักสาวกความจริงหน้าจะตั้งชดเคองบัก อ, อนากคัญญะเพราะมรุอรหันก่อน คือไม่แช่นั้นก็ตั้งท่านปัญญวิคีไม่ใช่ท่านเพื่อนกันสาสองค์ที่ได้อ่าัที่อ่านที่สังถไม่งั้นก็ตั้งยพยศพยศเธอพระเจดินเป็นต้นต้อไป็นพระอันก่อนแต่นี้ทั้งสองคนมาเป็นอาันที่หลังตั้งเป็นอังกสาวกพรเจ้าลำเอียงนะเห็นก็น้าประคนในหมายความลำเอียงใช่ไหมเห็นก็ลาดเถลกัละ <c oughs> พระพุทธเจ้าท่าน น, านอนนั่ง น, นั่งใ น, หนมหาวิหาร ยินเสียงพระพูดไกลกันนะหูยาวไกลกัน ท, าทาน่านกำลังคในใจว่าถ้าเราจะไปที่นั่นจะมีประโยชน์ไหมก็ทรงทราบเดิมหน้าพุทธญานว่าถ้าเราไปที่นั่นแล้วเล่าความเป็นมาตามความเป็นจริงมรรคผลจะเกิดธรรมดาพระที่เป็นปุตตะชนทั้งหลายอย่างยงน้อยเป็นระโสดาบันเป็นต้นฉะนั้นองค์สมเด็จพระเทสพลเป็ น, นเสด็จไปที่นั่นมมยยเมื่อเสด็จไปถึงพระก็เงียบ เลิกนินทาใช่ไหมที่นินทาจะพระพระที่เป็นปุถุชนนะพระอริยะทำไมไม่นินทาใครถ้าเขาก็บวอเสนะให้นั่งเมื่อท่านนั่งลงไปแล้วท่านก็ไม่พูดกันเฉยพระพวกนั้นก็เฉยหมดแต่คิดในใจว่าถ้าเรานั่งตรงนี้ถ้าเราไม่พูดก็ตลอดเวลาหนึ่งกับพระพวกนี้ก็ไม่มีใครพูดเราต้องพูดก่อนเวลานินทานินทาได้นะเอาไปจริงๆไม่อยากเอาเลย ไม่กล้าจริงเหมือนอภิชาติปฏิชาตินะพิชัยมันนินทาฉันเห็นเน่ยเมื่อกี้ฉันเห็นภาพน่ยนึกว่าข้างบนตาตาสั้นเลยโอก็ยาวตาก็ยาวนะก็เป็นว่าพระเจ้าสมเด็จไปเราบอกกับพิเกเวดูก่อนพิสุทังหลายเพธอคุยเรื่องอะไรกันพระที่เป็นพระนี่เจ้าถึงพูดให้ฟังยอมรับ ว่าพระโพธิ์เนรธาพระองค์เห็นกันหน้าบุคคลแต่พวกนั้นนั่งเงียบเฉียวนะปิดฝากแล้วนะพระเจ้าบอกว่าที่ตถาคตไม่ตั้งอัญญากลอัญญาจะตั้งชุดนั้นก็ดีพระพัตวคีก็ดีคณะพยศก็ดีจะดิงก็ดีทั้งหมดเป็นพระอักษรก็เพราะว่าพวกนั้นต้องการแค่เป็นพระราหารัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอัญญากุณยะต้องการเปร็นอรหันต์ก่อนคนอื่นในโลกในเมื่อพระพุทธเจ้าแล้วต้องการเป็นก่อนใครทั้งหมดตถาคตก็ให้เป็นแล้วองค์อื่นต้องการแค่เป็นอรหันต์ตถาคตก็ให้เป็นแล้วแต่ว่าทั้งสององค์นี้เขาต้องการเป็นอัครสาวกตถาคตจึงตั้งตามความปริศนาในะใช่ก่อนตอนนี้ฉันจะจําชื่อพระพุทธเจ้าได้ไม่ได้ไม่ทราบ ถอยหลังจะกลับที่ไป 9.2 กลับจะไม่ดีนะยกทรงไม่มานี่ยกทรงมาก็จดแล้ว <c oughs> ถอยหลังจะกลับนี้ไป 9.2 กลับมีผู้เจ้าองค์หนึ่งตายขึ้นมีนามว่าอโนมาทัศสีจะไม่ดีนะอะโนมาทัศสีถ้าฉันจะถ้าจําไม่ผิดนะจำผิดก็แล้วไปอุบัติขึ้นแลนในโลก เวลานั้นพระพุทธเจ้าก็ดีคนยังไหลก็ดีในโลกเวลานั้นอายุหนึ่งแสนปีนิดเดียวน้อยกว่าเรานะเราต้องเจ็ดสิบห้าปีอายุคนได้เจ็ดได้หนึ่งแสนปีขนาดนั้นพระอโ์พระพุทธเจ้านั้นก็มีสาวกแสนองนะเวลานั้นพระโมคลลากับภาษารีบุตรก็เกิดในสมัยนั้นพระมคคัลลาเดี๋ยวก่อนภาษาทีบุตร เกิดนตระกูลพระมหาสารนี่ไม่ได้ดูซื้อมานำ้ำทาจาผิดขอขอภัยด้วยนะชื่อว่าสารทสารท พ, พราหามพระโมกลาเป็นลูกกุลุมพีรวยใหญ่ชื่อสิริวัฒสิริวัฒพระวัฒกุลุมพีไม่มีหนะนะเรามีวัฒนะเขาไม่เามีวัฒนะเฉยต่อมาท่านภาษารีบุตร ซึเป็นสาธุพรามก็มีความรู้สึกเมื่อพ่อแม่ตายหมดรับมรดกก็มีความรู้สึกว่าเรารู้แต่เฉพาะโลกกับชีวิตนี้ชีวิตเดียวแต่การเบื้องหน้าเราไม่รู้นั่นก็หมายความว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายตายแล้วไปไหนเราไม่ทราบถ้าเิยมีชีวิตอย่างนี้เราก็กลายเป็นคนโง่ไม่รู้ที่ไปที่มาถ้าเราจําเป็นต้องเกิดอีกมันก็ต้องตายอีกอย่างนี้มัไม่ไม่ไม่ทุกข์ ก็ตั้งใจจะบวชสละความเป็นพระวาสบวชเป็นชาดินเวลานั้นยังไม่พบพระพุทธเจ้าในเสีก็ไปชวนสวะะิริวัฒน์คุดุมพีเพื่อนกันบวชสิริวัทน์ก็บอกว่าเราบวชไม่ได้อยากจะบวชก็บวชคนเดียวเถอะมาที่สุดตั้งกลับมาบ้านก็เปิดเรืองครั้งแก้วคำว่าเริงครังแก้วหมายครั้งทั้งหมด แจกคนกระผ้าขนยากจนคนเดินทางแจกหมดแจกไม่เหลือคือไม่ต้องการจะสื่ว่าใหม่ในเมื่อแจกแล้วก็ออกบวชบวชก็มีลูกศิษย์แปด0มนสี่พันคนบวชเป็นฤาษีท่านได้สมาบั ต, 8, แติแปดอ่าพร้ญญ 5, อมได้อภินยาห้าอภินยาที่มีหกาจริงถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้าก็เรียกว่าห ถ้าเป็นพระอริยเจ้าได้ข้อดีอกเติร์เติรขึ้นมาได้ปัญญาห้าด้วยห่อเรือกาย ก, ก็ได้แล้วสวยก็สินให้บรรดาลูกศิษย์แปดหมื่นสี่พันได้ปัญญาเหมือนกันได้สมาบัตแปดเหมือนกันต่อมาในตอนเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าทวนาว่าอนมมัตศสีจะไม่ดีนะจดเฮ้ยจดแล้วก็ดูดินะไม่จดทิ้งนะ จ้าละอ่านด้วยนะทรงพิจารณาปฏิสัยของสัตว์ในตอนเช้ามืดว่ามีจะมีใครบรรลุมรรคผลบ้างไหมก็ทรงทราบว่าสัทธะชะดินซึ่งมีบริบาลแปดหมนสี่พันคนทั้งหมดนี้ได้สมาบัตแปดด้วยได้ปัญญาห้าด้วยถ้าเราไปในสถานที่นั้นถ้าเราไปเทศเมื่อเทศจบ อันใดชะดินบริวาร8 4ด0 0ี่พจะเป็นอรันพร้อมเป็นสมิธา ย, ยานแล้ว่าสระดาบทจะไม่ได้เป็นอรหรันจะปรารถนาเป็นอากาสาวพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วต่อไปก็จะชวนเพื่อนของท่านคือสี่วสีวัฒะกรุงพีมาให้ทําบุญกับเราแล้วปรารถนาเป็นอากาสาวเบื้องซ้ายต่อไป เมื่อตอนเช้าองค์สมเด็จพระจอมใจก็ไม่ชวนใครเลยเพราะบรรยากาศเวลานั้นบริษัทคือลูกศิษย์ของบรรดาท่านศาสดาฤษีกำลังหาอาหารอยู่คือหาผลไม้ <c oughs> ร, วมรวมท่านรรมหาฤษีใหญ่ด้วยพระเจ้าทรงห่อไปก็สรงอธิฐ า, านว่าขอคนพวกนี้ทั้งหมดจงมีความเข้าใจว่าเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นึกอย่างนั้นนะ เพราะว่าท่านยังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่รู้เลยว่าพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วบรรดาแล้วท่านก็เสด็จลงท่านสาเดชบรรดาบทก็เข้ามากราบยังไม่กราบก่อนนั่งมองก่อนยืนมองก่อนใช้ตำราของพรามพิจารณาดูลักษณะมงโมงโหเฮงอะ่ะ <laughs> ก็ทราบว่าบุคคลบุคคลที่มีลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นครว่าต์ผู้ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชถ้าบวชจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เวลานี้ท่านทรงผ้ากาสารพัดแสดงว่าบวแล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กราบกราบด้วยความเคารพพระเจ้าก่อนั่งท่านก็จากที่ให้นั่งสูงกว่าหน่อยท่านนั่งต่ำกว่าใหรมดาลูกศีลกุศลตะดาบทออกไปหาอาหาร เข้ามาเห็นข้าวก็ตึกตกใจคิดว่าเราคิดว่าอาจารย์ของเราเก่งที่สุดแล้วแต่วเวลานี้อาจารย์เรากับนั่งข้างล่างแลวคนบุคคลคนคนี้มันนั่งนั่งสูงกว่าเขาคงจะเก่งกว่าจิงก็ไปถามอาจารย์ว่าถาอาจารย์คนนี้นั่งคนนี้เป็นใครทาไมย่งนั่งสูงก็บ ท, ท่านท่านทไมนั่งต่ำก็แสดงว่าคนนี้เก่งกัท่านใช่ไหมท่านสระ ก, ก็บอกว่า เธอจงอย่าเปรียบภูเขาสินเนรุคือภูเขาสูงสูงกับเมรุธานประกาศเรามีความดีเหมือนเมนรุถานประกาศแต่องค์นี้คือสมเด็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับภูเขาเปรียบเทียบกันไม่ได้บรรดาลูกศิษย์ของพระสารราษฎทุกคนก็แน่ใจก็กราบเป็นการต่างคนต่างกราบเ <c oughs> มื่อต่างคนต่างกราบ่านสารราษฎร์ ก, ก็มีความรู้สึกว่า เวลานี้พระเจ้านั่งต่ําเกินไปเดี๋ยวก่อนนะเขาย้อนหลังใหม่ในเมื่อเขามาแล้วทั้งหมด8ปดหมสี่พันคนพระเจ้ากระสงคิดว่าเวลานี้อักษสาวกทั้งสองเราควรจะมาพร้อมในพระสงค์ทั้งหมดพอเมืเท่านี้ก็แปลกดว่าบรรดาอักษรพวกทั้งสองพร้อมประสงค์ทั้งหมดทราบ ท, ทดาบทันทีก็ต่างคนต่างเหาะบรรยากาศลงที่นั่นลงแล้วแสนองค์ ท่านสท้าดบอกก็คิดว่าบรรดาพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั่งต่ำเกินไปจึงสั่งบรรดาฤาษีทั้งหลายว่าจงเตรียมอาสนะให้เร็วจัดให้ทันในวันนี้ประดับประดาด้วยดอกไม้ทของของขอ ง, องทั้งหมดทําอาสนะให้สูงตามมาลีท่านบอกว่าถ้าเราคิดถ้าพูดอย่างนี้ถือเป็นการช้าเกินไปแะนั่นเป็นผู้มีฤทธิ์เท้งหมดใช่ไหมใช้เวลาเพียงครู่เดียวอาสนะก็เต็มหมด เมื่อคณะพร้อมแล้วจึงมีมนุทยเจ้าพร้อมในวอาหารทั้งหมดขึ้นนั่งประทับแล้วในที่สุดก็นําพระเาตำอ่อนผลไม้มาถวาย <c oughs> ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านตั้งใจจะมาโปรโดโดยเฉพาะไม่โปรโดคนเดียวโปรโดทั้งหมดใช่ไหมเมื่อเขาต้องถวายอาหารแล้วคือถวายผลไม้แล้วท่านก็มายังไม่ฉันเข้านิโรธสมาบัติ พระรหัสดังหมดเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าขนันนโรธสมาบัติทุกองค์ก็เข้าสิริโรธสมาบัติหมดขนันนโรธสมาบัติจริงๆรอดแค่เจ็ดวัน <c oughs> เราจะไม่ไหวเอาแค่เจ็ดนาทีก็พอแต่ว่าท่านสารรัทดาบทก็ยืนเอาดอกไม้ทําเป็นร่มกั้นไม่แสงแดดถูกพระเจ้าเจ็ดวันเหมือนกันไม่ไปไหนบรรดาโลกศิษย์กันหนลายเวลาหิวก็ไปกินผลไม้ กินพวงไมลก็มานั่งใหม่แต่สระตาบทไม่ไปเมื่อพระเจ้ากออกจากในโรทัศมาบัตดแล้วพระก็ออกแล้วก็ฉันพรตาหาได้ให้โมทนาระคำว่าโมทนาก็คือเทศในตอนแรกพระเจ้าให้อักษาวกเบื้องขวาเทศก่อนเมื่ออักษรวกเบื้องขวาเทศท่านสระตาบทฟังแล้วก็ชอบใจในสมะที่อักษรวกเบื้องขวาเทศใช่ไหม ยิ่าก็เพยร้อก็จิคิดชอบใจเลยไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรในที่สองเมื่ออาสวกบังขวาเทศจบพระเจ้าสัง่งอาสวกเบื้องซ้ายเทศบางเทศจบหนึ่งสตัตว์ดาบก็ยังไม่ได้อะไรก็ยังไม่มีไม่มีใครได้อะไรในที่สุดพระพุทธเจ้าเทศเองพอเทศจบปรากฏว่าท่านสาวกทั้งหมด ของสราดาวบ8แปดหมื่นสี่พันเป็นวรรพระมิสันมิทายานแต่ว่าท่านสราดาบดไม่ได้อะไรเพราะจิตฟุ้งซ่านอยากจะเป็นอักขสาวกเห็นว่าคนองค์นี้นั่งใกล้พระเจ้าที่สุดใช่ไ้วเทพได้เผยร่อมากความต้องการอยากเป็นอักขสาวกในเมื่อพระเจ้าเทพจบแล้วนอกเสด็จเป็นวรรษพระมิสันมิทายานพระเจ้าก็ขอบวช พระเจ้าสั่งว่าเอหิบิคุแปลว่าเจ้าจงเป็นพิษุมาเถิดเพียงเท่านี้นผมก็ดีหนย่ยคราดีหลุดหายไปหมดเครื่องผากาสารพัดทั้งหมดเครื่องอุปกรณ์ต่งตางๆมาสวมกายทันทีเพรามบริบูรณ์หรือแต่สัทดาบทคนเดียวสัทาดาบทก็เข้าไปกราบพระเจา้าขอตั้งจ้าพระนโมท น, น, นาปันาว่านับตั้งชาตินี้เป็นต้นไปจะมีพระเจ้าใดก็ตามเกิดขึ้นมาในโลก ขอเป็นอากษาบกเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพระเจ้าองค์นั้นพระพุทธเจ้าขบันดาบานโนมัตัดสีก็ทรงพิจารณาด้านหน้าพุทธญาณก็ทรงทราบว่าจากกลับนี้ไปอีก๙๒กลับไกลหลือเกินนะจะมีพระเจ้าองค์หนึ่งมีนามว่าพระสัมมาสัมพุทธโคดมเกิดขึ้นในโลกท่านจะได้เป็นอาคษาวกเบื้องขวามีนามว่าสารีบุตร แล้อเพื่อนของท่านที่มีชื่อว่าสิริวัฒน์สิริวัฒน์กุฎุมพีจะเป็นอากาศสาวกเบื้องซ้ายมีนามว่ามุนขนลาคนั้นยังไม่มานะพยากรไว้ก่อนก็เป็นว่าท่านทั้งสองเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็ต้องหยุดแค่นี้ในะวันนีนะ้พวกนี้ค่อยต่อนะเพื่อลามเลยนาทีหรือสองนาทีก็เป็นว่า ท่พระโมกขลากระบาสารี บ, าาบรทจะออกบทในชาติหลังนี้ก็ต้องการโมกขธรรมคือ ด, ดูดนตรีดูมรสศพก็นั่งพิจารณาว่าคนทุกคนที่นั่งดูมรดพก็ดีและนักแสดงก็ตามทุกคนนี้ไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างตายในเมื่อความตายมีจริงทำนี่เป็นเครื่องประทรมให้ไม่ตายต้องมีอยู่เพราะโลกนี้เป็นของมีของคู่กันมีเมื่อก็มีสว่างมีหนาวก็มีร้อนเป็นต้น ยิ่งไ้พาการออกบวชเพื่อแสวงหาเพื่แสวงหามตตาธรรมดังนนการแสวงหาหมตตาธรรมของท่านทั้งสองไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวชาติก่อนก็ทํามาแล้วใช่ไหมเป็นบ้าบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันที่มานั่งนี่ทุกคนน่ยขอถือว่าทุกคนทําบุญมาดีแล้วทุกคนทั้งหมดไม่เชื่อไม่ถามคนชาติก่อนๆด้วยถ้าไม่ทําบุญมาดีแล้วนั่งอย่างนี้ไม่ได้เพราะที่นี่สอนอันดับนิพพาน คือการสอนหลักนิพนธ์นี่ถ้าคนที่มีบา ร, รมีไม่ถึงนี่เขาฟังไม่ไหวเขาทนไม่ไหวนะไม่ใช่แบบเขาแกล้งทนไม่ไหวไม่ใช่อย่างนั้นคือทนไม่ได้จริงเพราะบา ร, รมีแบ่งเป็นสามชั้นบา ร, รมีต้นเร็วป ะ, ปะเรี่ยวบา ร, รมีเฉยๆอย่างนี้ถ้าเก่งเขาเก่งแค่ทานกับศีลบา ร, รมีที่สองอุ ป, ปบา ร, รมีอย่างนี้เก่งแค่ฌานโลกีถ้าพูดช่านผมในโพดได้ บารมีสูงสุดเรียกปรมัตตบารมีอย่างนี้พูดอนิพานได้นี่คนนี้พอใจเรื่องนิพายนี่คนค น, นั้นต้องเป็นคนที่มีบารมีเป็นปรมัตตบารมีเพื่อพร้อมที่จะไปนิพานฉัน <c oughs> ขอบรนดาญาโยงพุทธบริษัททุกท่านทุกคนอันดับแรกจะดืมลมหายใจเขาออกก่อนที่จะภาวนาให้พิจารณาก่อนว่าร่างกายของเราทั้งหมดทุกส่วนมาเต็มได้วยความทุกข์ ความหิวก็เป็นทุกข์ความกระหายก็เป็นทุกข์ความเกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์มีความปัรจนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์มีความตายก็เป็นทุกข์ถ้าเราคืนเกิดอย่างนี้ก็ทุกอย่างนี้ตลอดไปไม่เป็นเรื่องเราไม่ต้องการเกิดต่อไปต้องการนิพพานเป็นเบื้องหน้าดังนั้นก็ภาวนาจับลมหายใจออกภาวนาหายใจเข้าในึ่งวัตถพุทธใจออกนึ่งวัตอันนี้แค่นี้นัคนใหม่นะ ท่านพูดใดเทพภาวนาแล้วคล่องตัวแบบไหนภาวนาแบบนั้นวันนี้พูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าอมตะขาพ5าตัวไปตะขาดินป่าก5าตัวอตอนนี้ไปเขาญาติโยมทั้งหมดตั้งใจสมาทานศีลสม า, ามาทานกรรมฐาน